สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรายังอยู่ในหนึ่งพงศษัตร์บทที่2ครับและหัวข้อประเด็นที่สาคัญในเช้าวันนี้ที่ผมอยากจะกล่าวกับพี่น้องแบ่งปันให้กับพี่น้องก็คือเชิงงอนของแท่นบูชาซึ่งเป็นสถานที่ที่รีภัยใจกลางเมืองหลวงครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูถึงหลักการของการรีภยัย การรีภไยนี้เป็นยังไงบ้างเพราะเจ้นาของพระเจ้าก็ต้องย้อนถอยกลับมาดูที่พระธรรมอพยพบทที่21พระธรรมอพยพบทที่21ข้อที่ 12-13 นะครับความว่าผู้ใดทำร้ายร่างกายคนอื่นถึงแก่ความตายจะต้องมีโทษถึงตายแน่นอนหากเขาทำไปโดยไม่เจตนาแต่พระเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้เกิดขึ้น เราจะกำหนดสถานที่แห่งหนึ่งให้เขาหนีไปลี้ภัยแต่ถ้าหากผู้ใดวางแผนฆ่าคนโดยเจตนาจงนำตัวผู้นั้นออกไปจากแท่นบูชาของเราและประหารเขาพี่น้องครับเพราะเจตน์ของพระเจ้าได้กำหนดชัดเจนครับว่าใครก็ตามที่ฆ่าคนอื่นจะต้องถูกลงโทษ ด, ด้วยการประหารชีวิตหรือต้องถึงตาย แต่ในขณะเดียวกันครับพระเจ้าก็ยังเปิดโอกาสให้กับคนที่ฆ่าคนอื่นโดยไม่เจตนาคนว่าเจตนาหรือเจ็ดจำา น, นั้นเป็นเรื่องของท่าทีภายในใจที่สำคัญมากครับในการที่จะตัดสินลงโทษว่าใครคนใดคนหนึ่งควรจะต้องถูกประหารชีวิตหรือไม่นั้นอยู่ที่เจตนาของเขาในข้อ14บบอกว่าหากผู้ใดวางแผนฆ่าคนโดยเจตเจตนาก็ให้ผู้นั้น ถูกนำตัวออกไปจากแท่นบูชาของเราและประหารเสียนั่นหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามครับจะมีอำนาจบาตรใหญ่ขนาดไหนจะมีอิทธิพลมากขนาดไหนเมื่อเขาทำผิดด้วยการฆ่าคนอย่างเจตนาเขาจะต้องรับโทษไม่ว่าคุณจะเป็นปุโรหิตมหาปุโรหิตหรือแม้กระทั่งคนที่เข้าไปอยู่ถวายการรับใช้ในแท่นบูชาจาก คอนเซปต์นะครับแนวคิดตรงนี้ก็เลยทำให้โยอาบต้องเข้าไปรีภัยอยู่ที่แท่นบูชาครับเขาก็รีภัยด้วยการใช้วิธีจับเชิงงอนของแท่นบูชาพี่น้องครับแท่นบูชานั้นมีสี่มุมนะครับเป็นเหมือนกับโต๊ะสี่เหลี่ยมซึ่งไว้สำหรับตั้งเครื่องบูชาและเผาถวายพระเจ้า ที่หัวมุมของโต๊ะสี่เหลี่ยมหรือแท่นบูชานี้ก็จะมีเชิงงอนเชิงงอนก็คือยื่นขึ้นมาครับแล้วมันเป็นงอนนะครับคือไว้สำหรับจับนะตรงนั้นแหละครับเป็นจุดที่โยอาบซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่มือขวาของกษัตริย์ดาวิดหนีไปครับหนีไปเข้าไปอยู่ในในพับผาของพระเจ้าครับ แล้วก็จับเชิงงอนนี้นั่นคือการแสดงท่าทีการขอรีไภัยในอบายบบทที่21ข้อ14ผู้ชัดเจนครับว่าให้นำตัวผู้นั้นออกไปจากแท่นบูชาของเราหรืออาจจะแปลได้ว่าให้นำตัวผู้นั้นออกไปจากแท่นบูชาแม้เขาอยู่ที่แท่นบูชาของเราก็ให้นำตัวเขาออกไป เพีงครับเชิงงอนของแท่นบูชานี้เป็นที่รีภัยแหล่งสุดท้ายสำหรับผู้ที่ต้องตกอยู่ใต้คำพิพากษาของกรัตรเราจะพบสิ่งนี้ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่1ข้อ50 51จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับเรามาดูกันครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่1ข้อ50ถึงข้อ51พี่น้องคงจำได้นะครับอารโดนิยา อาโดนยาเน้นเป็นราชโอรสเป็นลูกคนที่4ของกษัตริย์ดาวิดครับอาโดนิยาน้นถูกเช็คบินครับเพราะเนื่องจากว่าอาโดนิยาก่อการกบฏอาโดนยาก็หนีเข้าไปจับเชิงงอนของแท่นบูชาด้วยความกลัวโซโลมอนเมื่อมีคนไปบอกโซโลมอนว่าอาโดนยาเน้นกลัวโซโลมอนก็เข้าไปจับเชิงงอนของแท่นบูชาแล้วก็พูดว่าขอให้กษัตริย์โซโลมอน ปฏิญาณกับเราในวันนี้ว่าจะไม่ประหารชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยดาบกษาซาโซโลมอนก็ตรัสตอบว่าถ้าเจ้าทําตัวดีผมสักเส้นของเจ้าก็จะไม่ร่วงลงพื้นแต่ถ้าหากพบสิ่งใดไม่ดีในตัวเขาเขาจะต้องตายกษัตาซาโซโลมอนจึงส่งคนไปนําตัวอาโดนิยามาจากแท่นบูชาอาโดนิยาก็มากราบโซโลมอนโซโลมอนก็บอก ไปตามที่โซโลมอนได้กล่าวอย่างนี้ครับกับบ้านของท่านเถิดพี่น้องครับแต่ในที่สุดครับเราเห็นครับว่าอนุญญาก็ถูกฆ่าเพราะเนื่องจากว่าเขานั้นก็ยังไม่ได้กลับเนื้อกับตัวกับใจเพราะว่าเขาดันไปขอนางบัตเชบาว่าให้ขออาบิชากมาเป็นเมียของเขาครับนั่นคือการแสดงความดูหมิน่นเหยียดหยาม แล้วก็แสดงความเป็นกบฏในที่สุดอาดุริยาก็ถูกฆ่าอีกคนหนึ่งครับก็คือโยอาบโยอาบนั้นก็เช่นเดียวกันครับเราพบในหนึ่งพงศษัตรบทที่สองโยอาบเมื่อเบเนายาซึ่งเป็นแม่ทัพของแม่ทัพใหญ่ของกษัตริย์โซโลมอนนั้นได้ไปจับตัวโยอาบที่พับพาของพระเจ้าโยอาบก็ตอบว่าไม่ ฉันจะขอตายที่นี่โซโลมอนก็ตัดสั่งเบเนยาบอกว่าฆ่าเขาแล้วเอาศพไปฝังตัวเราและวงวานของเสด็จพ่อเราจะได้พ้นจากบนทินที่เขาได้ฆ่าผู้บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้เขาเองรับผิดชอบที่ใช้ดาบฆ่าชายสองคนในยามสงบพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าในทีสุดแล้วที่ลีภัย ก็ไม่สามารถเป็นที่รีภัยได้จริงๆครับเพราะว่าเขาเจตนาเจตนาที่จะฆ่าคนเจตนาที่จะทําผิดพี่น้องครับหลังจากที่พระเจ้าได้ให้โอกาสชาวอิสราเอลว่าใครที่ทําผิดโดยไม่ตั้งใจก็จะสามารถรีภัยได้เราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ทรงเข้มงวดกับการทําผิดมากทีเดียวครับความผิดความบาป พระเจ้านั้นได้ให้โอกาสกับมนุษย์เสมอแต่หากว่าตั้งใจที่จะทำผิดทำบาป ท, ทั้งทั้งที่รูท้ทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องแต่ยังทำอันนี้นำมาซึ่งการลงโทษการพิพากษาและคนที่ทำนั้นวงตระกูลของเขาก็จะได้รับผลสืบเนื่องจากความบาปของต้นตระกูลที่เขาทำ นี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องที่สําคัญเข้มงวดมากครับและด้วยเหตุ น, นี้เองทําให้เราทั้งหลายจะต้องกลับมาดูครับว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสโรงให้โอกาสเสมอให้โอกาสที่สองโอกาสที่สองนั้นไม่เคยขาดจากชีวิตของเราเลยแต่ขออย่างเดียวครับอย่าทําผิดทําบาปด้วยเจตนาเจตนาที่ร้ายเจตนาที่ไม่ดีเจตนาที่แอบแฝง แอแฝงบางสิ่งบางอย่างอยู่ทําให้คนเราเกิดอาการที่เรียกว่าหน้าซื่อใจคดเจตนาร้ายที่แอบแฝงอยู่นั้นจะเป็นตัวทําร้ายทําลายตัวเองครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะต้องรับมาระวังพระเจ้าทรงเป็นที่รีพไพรของเราทรงเป็นกําลังของเราทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เหตุฉะนั้นเราจึงไม่กลัวครับ เพราะเรามีพระเจ้าเป็นที่รี้พัยแต่เราเองนั้นจะต้องรี้พัยด้วยการกระทำที่ไม่เจตนาสำคัญที่สุดครับก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจพระเจ้าจะให้อภยัยพียครับหลายครั้งทีเดียวในชีวิตของเรานั้นก็ได้ทำบาปอย่างไม่ได้ตั้งใจแน่นอนครับพระเจ้าทรงให้อภยัยและการให้อภัยของพระเจ้านั้นครอบคลุมทั้งในอดีตชีวิตของเราปัจจุบันและอนาคตด้วย การครอบคุมเช่นนี้เป็นการครอบคุมที่เกิดขึ้นจากคฤทธานุภาพอันเกิดจากการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนครับิทธานุภาพแห่งการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั้นก็สามารถที่จะลบล้างบาปชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นเมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้เองทาให้เราจะต้องสานึกในพระคุณของพระเจ้าและแล้วมัดระวังที่จะ รักษาเนื้อรักษาตัวให้บริสุทธิ์จิตใจของเราต้องตรงอย่าคดจิตใจของเราต้องฝักใฝ่ความบริสุทธิ์และแสวงหาการถูกชำระให้บริสุทธิ์จากพระวจนะของพระเจ้าและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยพระองค์ต้องพักพิงในพระองค์รับการเสริมเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้าให้ด้วยเหตุนี้ครับสิ่งนี้ จึงจะทำให้การรีภัยนั้นเกิดผลจริงในชีวิตของเราเชิงงอนของแท่นบูชาก็อาจจะช่วยไม่ได้ถ้าอะไรครับถ้าเราเจตนาแต่พี่น้องครับการสิ้นประชนของพระเยซูบนไม้กางเขนช่วยได้ทุกคนทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาแต่ใครก็ตามต้องระวังครับใครที่เจตนาจะได้รับผลของความบาปนั้นๆไม่มีที่รีภยัย ที่จะให้ปลอดภัยจากผลของความบาปหากว่าคนคนนั้นทำด้วยเจตนาพระเจ้าจะยกบาปให้แต่เราที่ทำบาปอย่างเจตนานั้นต้องรับผลของบาปครับรับผลของบาปด้วยตัวเองและเรากํำลังเสี่ยงที่จะเอาลูกหลานของเรารับผมรับผลเช่นนั้นด้วยครับอาเมน